ที่ชื่อว่าทำสงให้ลำบากคือภิกษุเมื่อถูกไต่สวนวัตถุหรืออาบัติผ่ามกลางสงไม่ต้องการจะบอกไม่ต้องการจะเปิดเผยเรื่องนั้นจึงนิ่งเฉยนี้ชื่อว่าทำสงให้ลำบาก